2. การฝึกตนหรือธรรมะการฝึกตนเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขอย่างหนึ่งทำให้ได้ที่พึ่งซึ่งได้โดยยากอันสืบเนื่องมาจากการสามารถเอาชนะตนเองได้ดังพระพุทธพจน์ที่ว่าการชนะตนนั่นแหลประเสริฐกว่าการชนะผู้อื่นการชนะผู้อื่นจะประเสริฐอะไรเล่าสำหรับบุคคลผู้ฝึกตนแล้ว สัมรวมอยู่เป็นนิตแทบหรือคนทันมานพรมก็ทําบุคคลเช่นนั้นให้แพ้ไม่ได้อัตถกถาธรรมบทเล่าว่าพราหมณ์คนหนึ่งไปสนทนากับพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสถามว่าทําอะไรเลี้ยงชีพเขาทูลตอบว่าเล่นการพนันตรัสถามต่อไปว่าแพ้หรือชนะเขาทูลตอบว่าแพ้บ้างชนะบ้างจึงตรัสสอนว่า การแพ้หรือชนะการพานันเป็นเรื่องเล็กน้อยแม้ชนะก็ไม่ประเสริฐแต่ผู้ใดชนะตนเองได้ด้วยการชนะกิเลสการชนะของผู้นั้นเป็นการชนะที่ประเสริฐใครๆก็ทําให้เขาแพ้อีกไม่ได้อีกตอนหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดชนะมนุษย์ในสงครามเป็นจํานวนล้านไม่ประเสริฐเหมือนชนะตนผู้เดียว ผู้ที่ชนะตนได้ชื่อว่าเป็นยอดนักรบในสงครามการฝึกตนก็คือฝึกกายวาจาใจให้อยู่ในศีลในธรรมหรือฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจให้อยู่ในอำนาจของตนเพื่อใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการเหมือนเราฝึกช้างมา้าวัวควายไว้ใช้งานถ้าฝึกมันไม่ได้ก็ใช้งานมันไม่ได้ เรียงมันเปลืองอาหารเปลืองสถานที่เสียเวลาแต่ใช้อะไรมันไม่ได้เลยเราก็ต้องรับใช้ปลนเปลือมันข้างเดียวลองคิดดูเถิดว่าจะเสียประโยชน์เพียงไรมีพระพุทธศาสนาสุภาษิตบทหนึ่งว่าอินทริยานิมนุษย์ส า, างาาหิตายะ อ, อหิตายะจาอรักขิตานิอหิตายะรัขิตานิหิตายะจ่แปลว่า อินทรีย์มีตาหูเป็นต้นของมนุษย์มีประโยชน์ด้วยไม่มีประโยชน์ด้วยที่ไม่รักษาให้ดีไม่มีประโยชน์ที่รักษาดีมีประโยชน์เพราะฉะนั้นเพื่อให้อินทรีย์มีประโยชน์เราจึงต้องรักษาคุ้มครองฝึกฝนอินทรีย์คือตาหูเป็นต้นโดยประการที่อกุศลบาปรธรรมจะไม่รั่วไหลเข้าไปบาปอากุศลเมื่อจะเข้าสู่จิต ก็เข้าทางตาหูเป็นต้นนี่เองบุญกุศลก็เหมือนกันเข้าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละการตามใจตัวเองอาจเห็นเป็นทางสบายในเบื้องต้นแต่จะเป็นผลร้ายในบ้านปลายเข้าทำนองทางเตียนเวียนลงนรกทางรกวกขึ้นสวรรค์นั่นหมายความว่าทางสบายโดยมากนำไปสู่ความลำบาก ส่วนทางลำบากนำไปสู่ความสบายขอให้อดใจอดทนอดเปรี้ยวไว้กินหวานและกินได้นานเมื่อบำรุงดูแลไวด้ดีและกินแต่พอประมาณการฝึกตนเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ในกิจทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเล่าเรียนการทำงานทางโลกหรือการขนขวายในทางธรรมไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นบรรพชิตหรือขรหัต้องฝึกตนทั้งนั้น สามเณรรูปหนึ่งเป็นศิษย์พระสารีบุตรออกไปบินธบาตกับพระสารีบุตรในระหว่างทางได้เห็นชาวนาไถน้ำเข้านาช่างสอนดัดลูกสอนช่างไม้ถากไม้ให้ตรงสามเณรได้ความคิดตามแนวพระพุทธพจน์ ท, ที่ว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนดังบาลีว่าอัตตานังธรมายันติปันติตาท่านจึงขออนุญาตพระสารีบุตรกลับวัด ไปบำเพ็ญสมณธรรมได้สำเร็จอรหัตตะผลเช้านั่นเองเมื่อได้บรรลุอรหัตตะผลแล้วเรียกว่าได้คืนถึงยอดแห่งความสุขพ้นจากทุกทางใจโดยประการทั้งปวงทั้งนี้ย่อมมีได้ด้วยการฝึกตนหรือฝึกอินทรีย์นั่นเองในที่บางแห่งเช่นอินทรียาภาวนาสูตรมชัชฌิมดิกายอุปริปันนาฏทพุทธเจ้าได้ตรัสถามอุตระมนบ สิทธิ์ของพราหมณ์คนหนึ่งว่าอาจารย์ที่เป็นพราหมณ์ของเธอมีการสอนในเรื่องการฝึกอินทรีย์และการอบรมอินทรีย์อย่างไรอุตรมานบผู้เป็นสิทธิ์ตอบว่าอาจารย์ของเขาได้สอนเรื่องการอบรมอินทรีย์ว่าไม่พึงดูรูปด้วยตาไม่พึงฟังเสียงด้วยหูไม่พึงดมกลิ่นด้วยจมูกเป็นต้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าอบรมอินทรีย์แบบนี้ คนตาบอดหูหนวกก็อบรมอินทรีย์ได้ดีกว่าคนที่มีหูมีตาอุตระมานพไม่ทราบจะพูดแก้อย่างไรได้แต่นั่งคอตกนิ่งอยู่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเอาเถอะเราจะกล่าวให้ฟังถึงการอบรมอินทรีย์ในพระอริยะคือในระเบียบของพระอริยะหรือในพระพุทธศาสนาแล้วทรงแสดงการฝึกอินทรีย์ว่า ถ้าได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูเป็นต้นไปจนถึงรู้ธรรมารมด้วยใจแล้วก็ต้องอบรมฝึกอินทรีย์ไม่ให้เกิดความยินดีไม่ให้เกิดความพอใจหรือไม่พอใจให้พิจารณาเห็นว่าทั้งความพอใจและไม่พอใจนั้นยังหยาบนักความพอใจเป็นสิ่งหยาบความไม่พอใจก็เป็นสิ่งหยาบเพราะฉะนั้นให้ตั้งอยู่ในอุเบกขา ให้พยายามประคองใจไว้ในอุเบกขาเว้นจากความยินดียินร้ายอย่างนี้เรียกว่าเป็นการอบรมอินทรีย์เป็นการฝึกอินทรีย์ในอริยะวินัยบางคนก็พูดเหมือนกันว่าคนตาบอดหูหนวกนี่ก็ดีไปอย่างไม่ต้องยินดียินร้ายเพราะไม่ต้องเห็นรูปไม่ต้องได้ยินเสียงไม่ต้องเดือดร้อนเพราะการได้เห็นเพราะการได้ยินทีนี้ผมก็บอกว่า ประโยชน์ที่จะได้จากการได้เห็นจากการได้ยินก็สูญเสียไปด้วยเช่นการได้เห็นสิ่งที่เกิดความรู้เป็นประโยชน์เห็นตัวหนังสือนี่ทาให้เกิดความรู้ให้ได้ประโยชน์หรือการฟังธรรมก็ได้ประโยชน์ได้ความรู้พลอยเสียไปด้วยการมีตามีหูนั่นแหละดีแล้วแล้วเรานำมาฝึกเอาอบรมเอามันเป็นธรรมดาที่ว่า มีอะไรก็เดือดร้อนกับสิ่งนั้นมากบ้างน้อยบ้างเราก็แก้ไขเอาเข้าใจสภาพของสิ่งนั้นพยายามทำให้ดีที่สุดกับเรื่องนั้นดีกว่าเพราะเราจำเป็นต้องมีต้องอาศัยอย่างเรามีตาไว้เป็นประโยชน์เพื่อดูเพื่อเห็นมีหูเป็นประโยชน์ในการได้ฟังได้ยินมีจมูกไว้ก็เป็นประโยชน์ในการดมกลิ่นมีลิ้นเป็นประโยชน์ในการลิ้มรส มีกายก็เป็นประโยชน์ในการถูกต้องหรือผวดทพะเย็นร้อนอ่อนแข็งมีใจก็เป็นประโยชน์ในการรับรู้รำมารมคือสิ่งที่ใจคิดที่นี้อยู่ที่ว่าถ้าเราใช้ไม่เป็นมันก็เป็นโทษถ้าใช้เป็นก็เป็นประโยชน์เหมือนเราใช้มีดหั่นผักทำครัวต่างๆมีดก็หั่นมือเอบ้างถ้าเราเผลอมีดมีทั้งคมทั้งด้าม ถ้าเราจับทีไรถูกด้ามทุกทีก็ได้ใช้คมให้เป็นประโยชน์แต่ถ้าเราไปจับที่คมมันก็บาดมือเอาสิ่งทั้งหลายในโลกก็เช่นกันมีทั้งคุณทั้งโทษเจือกันอยู่คล้ากันอยู่เราก็ต้องรู้เงื่อนไขของสิ่งนั้นๆจับหลักใหญ่ให้ได้ว่าหลักสำคัญมันอยู่ที่ไหนเราก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสมควรในเรื่องนั้นๆก็ได้ประโยชน์ทิ้งสิ่งที่เป็นโทษเสีย ถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าเรื่องอะไรทุกๆเรื่องมีทั้งคุณทั้งโทษเจือกันอยู่เราก็ถือเอาแต่ส่วนที่เป็นประโยชน์ที่เป็นโทษก็ทิ้งไปคือรู้ส่วนที่เป็นโทษส่วนที่เป็นคุณวิธีอบรมอินทรีย์ของพระพุทธเจ้าคือทรงสอนให้รู้สิ่งที่เป็นคุณฝึกอบรมอินทรีย์ให้เป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมกับอุตระมนกต่อไปว่า เมื่อสามารถทำจิตให้อยู่ในอุเบกขาได้แล้วก็จะมีคุณสมบัติพิเศษขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งคือจะสามารถพิจารณาให้เห็นเป็นสิ่งที่ไม่น่าเกลียดในสิ่งที่น่าเกลียดให้เห็นในสิ่งที่ไม่เป็นปฏิกูลเป็นปฏิกูลก็ได้ด้วยอำนาจของเมตตาและอุเบกขาสามารถพิจารณาเห็นสิ่งที่น่าเกลียดให้ไม่น่าเกลียดก็ได้ในที่บางแห่งอาจมีทั้งสิ่งที่น่าเกลียดและไม่น่าเกลียด ในเงื่อนไขนั้นต้องเป็นอย่างนั้นสมมติว่าเราเลี้ยงสัตว์เช่นเลี้ยงแมวเรามีอาหารเหลือเราให้แมวกินเลี้ยงแมวด้วยเมตตากรุณาต่อมันแมวก็ช่วยเหลือเราในเรื่องไล่หนูกัดหนูไม่ให้หนูมารบกวนพอได้กลิ่นแมวหนูก็ไปแล้วไม่ต้องจับก็ได้ธรรมดาเลี้ยงแมวต้องมีขี้แมวบ้างเราก็วางอุเบกขาใช่บ้างมีเมตตาต่อมันบ้าง อย่างในวัดมีทั้งแมวทั้งหมายเยอะไปหมดตามถนนในวัดก็ต้องมีขี้หมาบ้างขี้แมวบ้างถ้าจะไม่ให้มีแมวไม่ให้มีหมาเลยก็หมายความว่าให้คนกำจัดมันโดยวิธีใดวิธีหนึ่งไม่ให้มันเข้ามาในวัดหรือไล่มันออกไปก็จะไม่มีขี้แมวขี้หมาในวัดมันดูเหมือนว่าได้ความสะอาดในวัดแต่มันขาดอะไรไปอาจจะขาดเมตตากรุณาไป หรือไม่ให้ฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมโลกกันถ้าทุกขนทุกแห่งไล่แมวไล่หมาออกไปหมดเลยเข้าใกล้ไม่ได้ปามันบ้างตีมันบ้างแมวหมาจะไปอยู่ที่ไหนในโลกนี้และที่ว่าสัพเพสัตตาขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเถิดขอสัตว์ทั้งหลายจงพ้นจากความทุกข์เถิดที่เราว่าเราท่องอยู่ทุกวันจะเอาไปใช้ที่ไหนในเงื่อนไขนี้ เราต้องยอมรับสภาพต่างๆที่มันเกิดขึ้นในเงื่อนไขนั้นๆถ้าเรามีเมตตาต่อหมาต่อแมวเราก็ได้เมตตาต่อหมาต่อแมวทั้งหลายทั้งปวงแต่ก็ต้องได้สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาจากมันขี้หมาบ้างขี้แมวบ้างแล้วแต่อะไรจะเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าพิจารณาให้เห็นเป็นสิ่งที่ไม่น่าเกลียดในสิ่งที่น่าเกลียดได้ด้วยอํานาจของเมตตาและอุเบกขา ในทางกลับกันสิ่งที่ไม่น่าเกลียดพิจารณาให้เห็นเป็นสิ่งที่น่าเกลียดโดยปฏิกูลละสัญญาสิ่งที่น่ารักคนเข้าชอบเ ข, าาข้าหลงไหลข้พอใจกันข้อตื่นเต้นกันพิจารณาให้เห็นเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาก็ได้โดยอำนาจของอสุภาสัญญาความสําคัญหมายว่าไม่สวยไม่งามปฏิกู ล, ลสัญญาความพิจารณาให้เห็นว่าเป็นปฏิกูล อย่างอาหารที่เข้าไปกินในที่หรูหราราคาแพงเป็นที่ต้องการปรารถนาทั้งรูปทั้งกลิ่นทั้งรสเขาพยายามจัดกลิ่นจัดรูปจัดรสให้น่ากินจะพิจารณาให้เห็นเป็นของปฏิกูลไม่พึงบริโภคก็ได้ถ้าจิตใจอยู่ในระดับที่ได้ฝึกอินทรีย์มาดีแล้วเพราะฉะนั้นจะระ ง, งับความดีใจเสียใจหรือความโกรธไม่พอใจต่างๆเกี่ยวกับเรื่องอาหารได้ รเรื่องอื่นๆก็ทํานองเดียวกันอันนี้คืออนุภาพของการอบรมอินทรีย์ฝึกอินทรีย์อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอินทรียะภาวนาสูตรมัชฌิมานิกายอุปริปันนาถถ้าเราได้อบรมอินทรีย์อย่างนี้แล้วโอกาสที่เราจะได้เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเรวดาที่มีธรรมเกิดเป็นพรหมที่สูงขึ้นไปก็มีมากขึ้นหรือได้เกิดเป็นมนุษย์ชั้นดี ถ้าไม่ได้รับโอกาสอบรมสิ่งเหล่านี้พลาดจากเป็นมนุษย์แล้วไปอบายภูมิเกิดเป็นเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์นรกบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างโอกาสที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้พบสิ่งดีๆเช่นธรรมะของพระพุทธเจ้าอะไรต่างๆนี่ก็น้อยในภาละบันดิตสูตรมัชฌิมริกายอุปริปันนาธพระพุทธเจ้าทรงเปรียบไว้ว่า เหมือนเต่าตาบอดกับทุ่นห่วงที่ลอยอยู่ในทะเลกล่าวคือมีทุ่นห่วงอันหนึง่งลอยอยู่ในทะเลลมเหนือพัดมาก็ไปทางใต้ลมใต้พัดมาก็ไปทางเหนือลมตะวันตกพัดมาก็ไปทางตะวันออกลมตะวันออกพัดมาก็ไปทางตะวันตกถูกพัดอยู่ในทะเลอยู่อย่างนั้นมีเต่าตาบอดซึ่งร้อยปีจึงจะโผล่ขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง โอกาสที่มันจะโผล่ขึ้นมาตรงห่วงพอดีนั้นยากมากตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าโอกาสยากมากแต่ยังเป็นไปได้มากกว่าและเร็วกว่าที่คนผ่านที่ไปอบายภูมิแล้วได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกยังเป็นการง่ายกว่าที่คนผ่านเมื่อไปอบายภูมิแล้วได้อาตภาพเป็นมนุษย์อีกเพราะเหตุใด เพราะว่าในคนพานไม่มีการประพฤติธรรมไม่มีการประพฤติสุจริตไม่มีการทำบุญกุศลมีแต่กินกันเองท่านใช้คำนี้เลยอัญญมัญญาขาทิกามีแต่การกินซึ่งกันและกันทุพภ ะ, ะมาลิกามีแต่การเบียดเบียนคนอ่อนแอแต่หลายๆแห่งใช้คำว่าทุพภ ะ, ะขาทิกากินคนที่มีกำลังน้อย คนที่มีพลังน้อยกว่าคนโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาดมนุษย์กินกันเองเบียดเบียนกันเองในหมู่คนผ่านมักพูดกันอยู่เสมอว่าคนโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาดแต่ผมว่าคนฉลาดแกมโกงเท่านั้นจึงจะทำให้คนโง่เป็นเหยื่อถ้าเป็นคนฉลาดด้วยและเป็นคนดีด้วยก็เป็นที่พึ่ ง, งคนคนโง่ไม่ทำคนโง่ให้เป็นเหยื่อ คนง่อจะไม่เป็นเหยื่อของคนฉลาดที่เป็นคนดีจะได้คนดีเป็นที่พึ่ง